อ่ะเป็นยังไงกันบ้างจำลวมผู้สูงอายุเน่ตอวัดเสร็จนั่งงงเงาหานอนเงินอยู่หรือว่าจิตตื่นตัวดีผ่องใสแจ่มใสมาวัดมาวา่าแยกได้ทันทีนะเราสามารถสังเกตได้และแยกยกได้ทันทีว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่เป็นปกติเป็นบุญหรือเป็นอกุศล เป็นบาบสังเกตได้เดี๋ยวนี้เลยถ้าจิตป่องใสตื่นตัวดีหลังทาวัดแสดงว่าอจิตมันสว่างสวพัฒนามันก็จะเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความสุขความดีความงามเราสามารถเห็นความจริงได้ถ้าเราเห็นความจริงขณะนี้เราจะเห็นว่าจิตของเรามเป็นยังไงอาการต่างๆมันเป็นยังไง างกายของเราเป็นยังไงงั้นจะเห็นได้ทันทีตอนนี้หลังทำวัดจบเราเห็นมีการเคลื่อนตัวกันไปบางคนบางท่านก็จะไปทำบุญแล้วนะก็คือไปทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันเช้านี้สองคนที่ลงไปนะธมาทีไรเราก็จะเห็นว่ามีซีฟู้ดเกิดขึ้นในวัดป่าสุภโตนะทุกคนก็มุ่งที่จะทำดีทั้งตะเตืรนเช้าๆอะไรเป็นความดีก็ผนกวใหกัน เพื่เราก็ไม่มานั่งง่วงเหงาหานอนกันนะอยู่บ้านก็ น, นอนได้ไม่ต้องมานอนถึงสุขัสโตรหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ปลุกตัวให้ตื่นตัวให้ดีๆจิตเป็นกุศลจี่แรกตั้งใจว่าเจ้าเนี้หลวงพ่อไม่เห็นท่านจะมาเห็นมีรถก๊อบจอดอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนั้นสังเกตอยู่แต่ว่าเช้านี้ท่านก็ไม่ได้มาที่นั่งก็ว่างๆอยู่ สังเกตเหมือนกันว่าท่านจะมาปกติแลวันที่3ของกลุ่มกลุ่มมาได้3วันหรือบางทีจะไปไหนเดินทางท่านก็นจะมาวันแรกเพื่อให้อารมณ์ปฏิบัติกับนนะักปฏิบัติที่อยู่ที่วัดทิวาปฏิบัติธรรมเจริญสติกันอยู่นะจะมีประสบการณ์ของอารมณ์การเดินทางของจิตนีนจะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นไปถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ ไม่มีคนคอยชี้บอกทิศบอกทางมันจะหลงได้ไปหลงไปลำเกลเสียไ้ลำเวลากันบางทีก็เคล็ดลาบไปเลยปฏิบัติธรรมดังนั้นชานนี้เราก็ตั้งใจที่จะนั่งฟังคำพูดอีกสักประมาณ20นาทีต่อไปนี้ไปเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีกายมีใจมีร่างกายมีจิตใจปฏิเสธไม่ได้ มนุษย์เกิดมาหัวจะรดเท้ามันมีร่างกายมีอาการที่เรียกว่าก่อนทุกนั่งเดินยือนนอนเจ็บปวดเมื่อยต่างๆหิวกระหายขับถ่ายนี่คืออาการที่มันแสดงออกถึงธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าทุกคนไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเอามานั่งก็โอยลุกก็โอยฟังเทศฟังธรรมตอนเช้ากลายเป็นความทุกข์กลายเป็นปัญหาไปเลยเข็ดหลาบ จะทําดีได้ยากทําชั่วได้ง่ายนีมันมีลักษณะของพลังชีวิตหัวใจเต้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกกระพริบตาหรือว่ามีการเคลื่อนการไหว ต, ต, ตื่นเต้นยันหลับมันก็เคลื่อนไหวของมันตลอดเป็นอาการที่มันแก้ทุกข์ของมันอยู่ตลอดไม่รเวลาหนาวก็ต้องเอาผ้าหม่มมาห่มให้มันนั่งเดินยืนนอนเจ็บปวดเมื่อยต่างๆ ต้องแก่กันตั้งแต่เด็กจนกทั่งปัจจุบันนี้ยังแก่กันไม่จบเลยมาไหลสู่ความตายต่างหาเป็นความแก่เป็นความเจ็บเป็นความตายร่างกายของเราหนีไม่พ้นเลยอันนี้เรียกว่ามหาพูตต ร, รูกมหาพูตต ร, รูปที่เรามานั่งยกมือสั่งจังหวะมาเดินจงกรมก็เห็นไอ้ก้อนนี้นเป็นก้อนทุกข์ให้ได้ไม่งั้นมันเห็นเป็นก้อนสุขมันก็จะหาเสพ ระบบประสาติดหมากติดเมี่ยงติดบุหรี่ติดเหล้าติดสารพัดนะอย่ามาืวากลุ่มนะมีบางคนบางท่านนะรับสีนแปร์นะพอเลิกปั๊บก็ไปนั่งโจขนมปังแบบไม่รู้ไม่ชี้เลยเนะี่ยมันใช้ได้ที่ไหนอนะ่ะมันต้องเป็นแล้วนะ่ะที่ว่าเออรับสีนแล้วก็น้อมก็มาใส่ตนปฏิบัติตามไม่ใช่มือถือสากปากถือสินเงนี้ยนะนอนคุยกันเมื่อเกนะินเนี่ย พระมารอบสามสี่ทุ่มมาดูยังนอนจอ่อกันอยู่เลยนินทาพระที่อยู่ข้า ง, างบ้านนะมาวัดนี้ยังใจอยู่บ้านยังไปนินทาพระที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้เราก็สังเกตกันเออมาทําอะไรกันแต่หลายคนก็ดีนะเงียบกิ๊บลเลยนอนหลับสบายอกสบายใจไปเพราะนั้นเมื่อคืนเรานอนเต็มที่แล้วเช้านี้ตื่นได้แล้วะ ไม่มานั่งง่วงเหงาเหานอนอะไรกันนะนนี้เรียกว่ามหาภูตารูปนะร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนถึเท้าถ้าดูให้ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญญาถ้าดูไม่ดีมันจะเป็นปัญหาทันทะีจิตของเรามันมีร่างกายร่างกายของเราก็เป็นลักษณะของรูปธรรมรูปขันธนะ์ส่วนจิตใจของเราเขาเรียกว่าอุปทายรูปนะรูปที่เป็นอุปทานจิตของเรามันคิดเก่ง อารมณ์ต่างๆอาการต่างๆเกิดมาจากตัวคิดความคิดนี่แหละมันสร้างโลกสมองเราเนี่ยมันมีไว้ใช้คิดผู้ชายอายุเกิน20่สิบขึ้นไปจะมีน้ำหนักสมอง 1,600 กรัมส่วนผู้หญิงนจะมีหน่ันีกรัมถึง 1,300 กรัมสมองสมองในหัวกะโหลกมันจะมีสมองเป็นอวัยวะ1ใน3าส่วน เนื้อสมองนะม่รวมทั้งกระดูกทั้งเอ็นทั้งหัวใจม้ามตับปอดเนื้อสมองนี่มันมีไว้คิดมันมีไว้รับรู้ความรู้สึกแต่ตัวมันเองนี่ไม่รู้สึกนะผ่าตัดสมองนี่ไม่ต้องใช้ยาชาเนื้อสมองไม่รู้สึกตรงนี้นะแต่ตัวมันเทียบไปรับรู้ความรู้สึกของร่างกายเราแล้วก็มีไว้ใช้ สำหรับการคิดการปรุงกันแต่งได้ดีนักบวกกับจิตรู้บวกกับจิตหลงด้วยนะถ้าจิตรู้มันก็คิดถูกถ้าจิตหลงก็คิดไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดจากเนื้อสมองนี่แหละมันคิดเก่งจิตใจของเราจะมีลักษณะของอุปนิสัยทางจิตวิญญาณเป็นมันโนวิญญาณมันก็จะอยู่เป็นตัวชีวิตของเราเหมือนกัน ถ้ามีบุญก็คิดแบบคนมีบุญแล้วมีบาคิดคนมีบาปพระคิดแบบพระโยมก็คิดแบบโยมผู้หญิงก็คิดแบบผู้หญิงผู้ชายคิดแบบผู้ชายพ่อคิดแบบพ่อแม่คิดแบบแม่คือตัวคิดทั้งหมดนั่นนะถ้าคิดเป็นก็ไม่เป็นทุกถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นทุกถ้าคิดเป็นก็ต้องมีสติมีสติสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทำสติขณะคิดขณะพูดขณะทำสติหลังคิดหลังพูดหลังทำ สติปัฏฐานคือ ก, การกลับมาแล้วรู้ไนะอ้ตัวกายธาตุสี่ของเราธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะแล้วก็ตัวจิตใจตัวจิตใจนี่มันมีนามธรรมไปหาดูไม่เห็นหรอกเป็นนามธรรมต้องดูอาการของมันก็คือความคิดความคิดเป็นอาการของจิตของใจเรามันคิดอะไรก็ได้นะแล้วแต่มันเราไม่รู้เลยว่าจะคิดอะไร แต่ว่าเราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้ขณะคิดรู้สึกตัวนะตรงนี้เราต้องฝึกต้องหัดกันความทุกข์อีกชนิดหนึ่งนะอยู่ในชีวิตของเราคือความทุกข์ที่มันทนอยู่ได้ยากมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บรรดบไปก็เรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างนําเกิดขึ้นในตัวของเราในชีวิตในจิตวิญญาณของเรา รูปทำนามทำขันห่านะมาแสดงออกถึงผ้าไตลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมัน ม, มีอะไรจะคงที่คงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิชาเผื่อใจเผื่อใจเผื่อไว้มันไม่แน่มันไม่แน่มันไม่แน่นะเผื่อใจเอาไว้มันไม่แน่หรอกนะไอ้ที่เรียกว่าทุกทุกทุกทุกทุกทุกไหลต้งป่วงนะอาจจะไม่ใช่ทุกก็ได ไอ้ที่เรียกว่าสุกสุขสุขุขุทั้งหลายทั้งปวงนะอาจจะไม่ใช่สุกก็ได้เผื่อใจไว้ได้เลยไอ้ที่กรลักเราลักเราลักเรานะอาจจะไม่ได้ลักก็ได้ไอ้ที่เราบอกว่าลักเขาลักเขาลักเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไอ้ที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ที่ว่าไม่แน่มันก็แน่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจไว้ตลอดไปเรื่เวลาเลยคิดว่าสวยมันอาจจะไม่ใช่สวยก็ได้คิดว่ารวยมันอาจจะไม่รวยก็ได้ คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่้ น, นแน่นอนเงไม่แน่หรอกคิดว่าเราจะอยู่คํากวาดเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วคิดว่ามันจะไปตายในโลกนี้มันก็ไม่ใช่แล้วคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเรียกว่ามีทั้งกามทั้งกินทั้งเกลียดครบบริบูรณ์อย่างนี้แล้วเราก็สแสวงหาว่าทั้งชีวิตไหนะมันเหมือนวิ่งไล่จับเงาตัวเองเงี้ยจับไม่ได้สักที ทุกเรารังเกียจแต่ว่ามันก็วิ่งไล่เสียบเราตลอดเวลาจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับจนสับสนตัวเองอย่างเงี้ยต้องพึ่งวัตถุหนึ่งสองสาต้องพึ่งบุคคลหนึ่งสองสาอย่างงี้ยแล้วท้ายสุดปล่ยลายอยู่คนเดียวก็เหงาว่าเวเปล่าเปลี่ยวเดียวใดรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองขี้น้อยใจรู้สึกเรียกร้องความสนใจเหมือนกับคนแก่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะผู้สูงอายุเนะี่ย ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนฆ่าตัวตายมากเหลือเกินปีหนึ่งประมาณสามมื่นห้าพันคนเฉลี่ยดูวันหนึ่งกี่คนในโลกเนี่ยมันตายกันเยอะทุกๆสี่สิบวินาทีตายเพราะความคิดเจ้าของมากกว่าการตายในโลกเนี่ยทั้งหมดทุกๆสี่สิบวินาทีเป็นคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนโดยเฉพะแพทย์หญิงเนี่ตายกันเยอะมาก ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ไม่ค่อยมีความสําเร็จผู้ชายเนี่ยตายมากกว่าผู้หญิงเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งผู้หญิงที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมากเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผู้ชายนี่มีโอกาสตายสูงเพราะว่าฆ่าตัวตายรุนแรงเร็วๆนี้มีที่เชียงใหม่นะ่ยผู้หญิงเชียงใหม่ฆ่าตัวตายมีปัญหามากมายเหลือเกินปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นโรคอ้วนนะ ปัญหาเรื่องของสังคมรังเกยียจเป็นนี่เป็นศีลต่างๆท้ายสุดทำไงรู้ปะแปลยาเป็นนิสรินและมะค่าตัวตายกินยานอนหลับสามสิบเม็ดหนึ่งการมือยัดเข้าไปใส่ปากดื่มน้ำาว้เอือกเอื้อกว่านั้นก็คิดตัดเพาะต่อว่ า, าชะตากรรมของตัวเองเกิดมาอาพับ่เหมือนเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็เสร็จลกระโดดตูมลงไปในน้า น้ำคูเมืองเชียงใหม่นะตนําบลครูเมืองแล้วปลากรดนอนหลับไปเลยเป็นไงล่ะทีเนี้ลองนึกภาพดูกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็กระโดดลงไปในน้นะําแล้วนอนหลับไปเลยนะนจะเป็นยังไงปลากรว่าเช้าหกโมงเช้ามีคนเห็นศพลอยอืดขึ้นมาลอยอืดขึ้นมามือเนี่ยหงายหน้าเนีน่ยหงายลอยขึ้นมา ตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องคนก็มงดูกันแทนที่จะไปทํางานทําการกันกระทายมุงเดือดร้อนถึงตํารวจเดือดร้อนถึงโรงพยาบาลต้องให้หมอมาจันทรสูพิกจบมูลนิธิร่วมกันอยู่พอลงความเห็นกันเสร็จผู้ใหญ่บ้านกำนันชุมชนต้องมารับรู้รับทราบกันหมอก็บอกว่าให้ไปลากศบขึ้นมาเพื่อที่จะมาจันทรสูพิกจบกันต่อไป โดยสมมติฐานมันตายเพราะอะไรกันแน่ฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมนุลนิธิก็เหวี่ยงเชือกเข้าไปเชือกมันก็ตกลงใกล้ๆตัวปรากฏว่ามือมือของศพเนี่ยนะมันก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็นไงถ้าเป็นเราผีหลอกเห็มไหมคนตายร้อยอืตุ๊ป่องตุ๊บป่องขยับมือได้ มูลนที่หลายคนก็เพ่นเงินเลยนะผีหลอกผีหลอกมีอยู่คนนึงมีสติดีกระโดดโตมลงไปเลยนะพอกระโดดโตมลงไปนะเป็นลากศพขึ้นมาป ร, รากฏว่ายังมีชีวิตอยู่เลยโยมมันโชคดีขนาดไหนคนนะ่ะกระโดดน้ําแล้วไม่ตายแล้วแถมนอนหลับลอยตุปป๊บปองตุปป๊บปองเหมือนนะมีสักกี่คนนะพอลากขึ้นมาจันทร์สูตนะถามไทยกันอา้าวปรากฏว่า มันยังไม่ตายแถมบอกได้ด้วยว่าเรื่องราวของตัวเองที่กระโดดน้ําลงมานะจนทั้งมีคนมาช่วยลากขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัยนะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในความคิดระบบสมองนะมากมายเหลือเกินจนทั้งแค่ตัวตายแล้วก็ไม่ตายนะเออคนมันก็แปลกนงะถึงเวลาที่อยากตายก็ไม่ตายคนไม่อยากตายก็ตายเราก็เห็นว่าเออบางทีบุญก็ คำก็โชว์หนุนนาให้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงตึกจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายความคิดมันก็สับสนหน่อยช่วงเศรษฐกิจมันล่มสลายตัวเองก็เป็นนี้เป็นสินต่างๆมากมายเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นไปดาดฟ้าจะกระโดดพุ่งหล่าวมาก็คิดว่าเออมันก็น่ากลัวกระโดดฆ่าตัวตายนะ เดี๋ยวพ่อจะเสียใจเดี๋ยวแม่จะเสียใจเดี๋ยวคนรอบข้างจะเสียใจก็วิ่งลงมาวิ่งขึ้ น, ว, น, ว, นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงจนทั้งพระอาทิตย์มันเริ่มส่องแสงลุ่งอรุณแสงเงินแสงทองตัวเองก็มองแสงของพระอาทิตย์แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นมาเออความมืดมิดมันก็ยังมีความสบายจิตของเรามันมีปัญหาก็น่าจะมีทางออกได้ในที่สุดก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มีเหมือนกันก็แล้วมีธรรมชาติเป็นเพื่อนรู้จักคิดรวมมีบุคคลปอบ อ, อกปอบใจแต่บางทีคนที่ช่วยเหลือเรามันช่วยให้เราตายก็มีนะอย่างเช่นที่ภาคใต้มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงมีปัญหารุมเล้าสับสนอย่างม า, ากเสจแล้วขึ้นไปเดินบนดาดฟ้าไม่พอไปปีนบนระเบียงเลยนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา คนกําลังเห็นโอ้น่ากลัวก็ไปแจ้งให้เข้ามาช่วยเหลือมูลนิธิก็มาช่วยเหลือเสร็จแล้วมีผู้ชายคนนึงช่วยไม่เป็นคิดจะช่วยนะแต่ช่วยไม่เป็ น, นะนเขากําลังเดินมันก็ยังปลอดภัยอยู่ยังไม่ได้ตกลงมาผู้ชายคนนี้เห็นเดินมานานแล้วลําคานอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้สักทีให้ลงมากไม่ยอมลงมาเรียกแล้วเรียกอีกจนคิดว่าจะไปช่วยเลยละ ค่อยๆหันหน้าก็ไปหาคนที่เดินตรงริมระเบียงดาดฟ้าเสร็จแล้วก็ชาร์จก็ไปฟ้าได้ไค่ผาถุงอ่ะผู้หญิงตกใจร่วงลงมาแล้วตายเอันนี้เรียกว่าช่วยอยากช่วยนะแต่ช่วยไม่เป็นนที่ยกตัวอย่างมาเนี้ให้เห็นว่าเออความคิดของเราไม่ใช่ธรรมดานะแต่เราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่เห็นมันตัวนี้ะ มันจะเป็นอาการของจิตที่ชวนให้เราทุกข์นั่นแหละคิดแล้วกลุ่ม ค, คิดแล้วกังวลคิดแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตาดูก็คิดต่อหูฟังก็คิดต่อจมกูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสก็คิดต่อปรุงแต่งต่อตรงนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาคว า, ามรักเป็นคว า, ามร้ายก็ได้จอมโจรเป็นจอมใจก็ได้ มันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอยู่นะจิตนะกับกรอกหลอกลวงผีหลอกก็ไม่น่ากลัวคนอื่นหลอกไม่น่ากลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองน่ากลัวที่สุดในโลกเลยนจนกระทั่งวันที่13กันยายนของทุกปีนะองค์การอนามัยโลกประกาศชัดให้มนุษยชาติช่วยกันรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลกประเทศไทยนอยู่ที่จังหวัดระยองชนบุรี ฆ่าตัวตายกันเยอะโรคมะเร็งนะอยู่ที่ยโสธรยชลบุ ร, บรีแคเป็นมะเร็งตายกันเยอะอยนะนะหรือว่าโรคเบาหวานไขมันเกินเนี่ยตอนนี้เป็นสถิติของประเทศไทยเลยหัวใจล้มเหลวพนะวกนี้เราก็จึงต้องช่วยกันป้องกันไม่ต้องป้องกันคนอื่นนะตัวเองป้องกันตัวเองดีลนะเดี๋ยเพราะหมันาภัยร้ายที่อยู่ในตัวเราเรียกว่าภัยวัตฏสงสาร มันเป็นภัยที่เกิดจากความคิดกันปรุงกันแต่งวันที่13กันยายนก็เหมือนกันหลังจากที่องค์การอเมโลกประกาศชัดว่าต้องรณรงค์กันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกหลวงปู่เทียนจิตโพปรมาจารย์ทางด้านการเจริญติบฐานอิสานตอนบนท่านก็ประกาศให้ทุกคนมนุษยชาติทั้งโลกนะหกพันล้านคนออกมาจากความคิดออกมารู้สึกตัว พลิกมือตั้งรู้สึกตัวเนี่ยทำเป็นไหมยกมือขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยทำเป็นไหมเคลื่อนมาทับที่สะดือเนี่ยทำเป็นไหมเดินกรมเท้ากระทบสัมผัสรู้สึกเนีทำเป็นไหมตรงนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ฝึกได้หัดกันนะโอ้เจียดายชี้เครองรามันมันล้มเหลวแล้วมันเป็นชีวิตที่อาภาพอับจนมากเลยลเราจะโง่นให้ความคิดมันหลอกอีกเท่าไหร่หลอกให้ลักหลอกให้ชงังอีกเท่าไหร่ ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวบาปบาปอื่นนะไม่ไม่หนักหนาสาหาัเท่ากับบาปที่เราหลงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยหลงโง่ให้ความคิดของตัวเราเองมันหลอกหลอกว่าชั้นสวยชั้นรวยชั้นเก่งปลอ่อยชั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ท้ายสุดชันก็ทุกเองนะเรียกว่าทุกตะตุกตถรนัวตุกตะววตุกะตะเถรตุกะตกะถานัง ตุกตะโตทุกถานัางไใชตุกตะโตตุกถัวหนัวนะลินมันพันกันมันไม่เคยพูดมานานทุกตะโตทุกถานนางในลองพูดสิโยมอะทุกคนพูดสิมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ทุกตโตทุกถัวหนัวนะทุกตะโตทุกถานนางเอาแปลว่าอย่างนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ก็คือถ้าเราทําอะไรไปคิดพูดทนะําเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะเป็นวิบากเป็นกรรมนะกลับมาหาตัวนะทุกข์ต่อทุกข์ฐ า, านังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะเพราะนั้นการคิดเนะี่ยมีผลกระทบนะคิดว่าเขาไม่ดีคิดว่าเ ข, า, นะ า, เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นจริงๆเราทุกข์แล้วนะเรื่องที่คิดนะนะอยู่กับปัจจุบันนะคิดไปอดีตนะ เหมือนเมื่อคือนะแทนที่จะนอนไม่ได้นอนนะอยู่ที่วัดป่าสุโขัยคิดไปถึงวัดข้างบ้านคิดไปถึงพระที่อยู่รอบๆบ้านของเราอะไรประเภทนีนะ้เพราะฉะนั้นให้เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันอยู่ที่นี่อยู่เดี๋ยวนี้กกายของเราไนะอันนี้เขาเรียกว่าวิชากรรมฐานมันจะแก้ทุกทุกที่เกิดภไยในจิตใจของเราโดยเฉพาะความคิดนะถ้าเรารู้เท่ารู้ทันหยิบมาใช้จะเกิดประโยชน์ทีเดียว แต่หากไม่รู้เท่าไม่รู้ทันน่นะมันจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายแล้วเกินคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลัวคิดแล้วกังวลพนั้นนะเกิดอาการแจกซ้อนขึ้นมาหดหูเกี่ยวแห้ง ว, ว้าเวงดุจงิดนะเกิดหึงหว ง, ห, วง ห, ห่วงหาหิวหยนะเรียก ว, ว่าปัญหาของชีวิตมันเกิดขึ้นมาเพราะขาดปัญญา ถ้าเราฝึกมีความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวดีๆนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินชมพูรู้สึกตั ว, จ, ตวจะเกิดอาการยืดหยุ่นขึ้นมามันจะยืดหยุ่นกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยินยอมเย็นแล้วก็ยืนหยัดมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ม, มันก็รู้เท่ารู้ทันวันนี้แก่ไม่ได้จะไปเป็นไรปัญหามีแต่ไม่ทุกทําเป็นปกติถ้าคนไม่มีความรู้สึกตัวขาดสตปิปัญหายังไม่เกิดเมื่อคิดให้เกิดปัญหาได้นะ ปัญหายังไม่มีเลยอนะ่ะคิดแล้วก็กองบนไปก่อนลวงหน้าคิดว่าพ่อแม่จะตายคิดว่าเราจะตายคิดว่าเราจะป่วยคิดว่าเราจะเป็นโรคมะเร็งคิดว่าสารพัดอ่ะนะที่มันคิดจนทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วท้ายสุดก็คือมันก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขมาอีอมากมายเหลือเกินก็คือร่างกายเราก็อ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บ จิตของเราจะเกิดโรคจิตโรคประสาทต่างๆมากมายเหลือเกินคิดมากๆกับสมองบวมมานะจะต้องอยู่บ้านอยู่ไม่ได้ต้องอยู่โรงพยาบาลบ้ า, บากันเนี่ยเนะี่ยเราก็จึงมาฝึกหัดกันนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปไปพยายามรู้ลมหายใจก็ได้นะไม่จําเป็นหรอกจะต้องมาเ ก, กินมือสิบี่จังหวะแต่มันก็จําเป็นเหมือนกันเพราะลมหายใจนี่มันเป็นเองหายใจเข้าหายใจออกนี่ยถ้ารู้มาตั้งแต่เกิดในป่านนี้เป็นพระราหันกันมาแล้วะ เดินไปเดินมาก็เหมือนกันถ้าเดินแล้วรู้สึกตัวเนี่ยป่านนี้เป็นพาาระอรหันต์กันหมดแล้วหรือว่าที่นี่เราคลิกมือสร้างจังหวะนะคลิกมือรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยนะมันก็จะเป็นสูตรสำเร็จอืดใจเดียวสู่การรู้แจ้งอันนี้หลวงปู่เทียนได้พูดเอาไว้ท่านฝึกอยู่สองวันแลน้วท่านก็สามารถที่จะได้คําตอบของชีวิตแล้วก็ในเรื่องของพระพวสนาทั้งระบบเลยเป็นเรื่องที่โอ้มันกน่าสนใจนหะ เมื่อสองวันก่อนมีคอร์สประจําเดือนปรากฏว่ามีฝรั่งอยู่คนหนึ่งก็เป็นทนายความแล้วก็แต่งงานกับหญิงไทยนะหญิงไทยก็เรียนจบปริญญาโทนะก็ไปอยู่กับสามีฝรั่งคนนี้ยเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าสุกโตนะปรากฏฝรั่งก็พูดนะวันนึงานมาถามว่ามาดีเนะี่เป็นยังไงกันบ้างนะตกเย็นแล้วก่อนนอนนะมืดค่าก็สอบถามอารมณ์ปฏิบัติกัน ฝรั่งก็พูดว่าเขาเวลาทำนะก็เห็นอาการเขาพัฒนาขึ้นมาคือร่างกายมาวันแรกๆก็นั่งเขาอยลุกเขาอยนะเจ็บปวดเมื่อยนะนะรู้สึกามาวันที่สนีะ่วันที่ห้านะเขารู้สึกมันสบายขึ้นร่างกายมันเข้มแข็งขึ้นฝรั่งปกตให้มา น, นั่งคัสมาอย่ให้มา น, นั่งไม่ได้หรอกมันต้องข่าวชันขึ้นมาเลยกดลงไปนะโอ้โอ้โอ้ โ, อ โ, อโอเจ็บเจ็บเจบเจ็บฝรั่งส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยก็นั่งเก้าอี้ นี่ใสฝรั่งนอนก็ไม่ถอดรองเท้าแต่ฝรั่งคนนี้ปรากว่าฝึกนั่งย่อทั้งนั่งคัสมาดได้สบายเลยเะรจล้เขาก็บอกว่าเออก็เห็นพัฒนรราการของมันร่างกายนะมันแข็งแรงขึ้นเข้มแข็ง ข, ข, ขึ้นอดทนขึ้นจิตเนี่ยก็เห็นว่าเออความคิดเนี่ยเมื่อก่อนนะเข้ากับความคิดเป็นสิ่งเดียวกันแต่พอฝึกหัดเจริญสติแล้วก็เห็นความคิดมันอยู่ข้างหน้าและตัวเขาไม่ได้เข้าไปในความคิดนะ ปกตินะเขาเข้าไปอยู่กับความคิดรวมกันแต่ตอนนี้เห็นความคิดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วเขามันไม่ใช่ความคิดนะมันกลละเรื่องกันนะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกชื่นใจอ่ะชื่นใจว่าโอ้ฝรั่งบางข่าเข้ามาจากต่างถิ่นตั้งใจปฏิบัติเราก็ได้เห็นว่าเขาตั้งใจปฏิบัติมากเลยก็านิ่งๆอยู่กับตัวเองยกมือนั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมไม่สนใจพูดคุยคุกคีหนึ่งหนึ่ง แล้วก็มองออกเนะี่ยคือเข้าได้อารมณ์ปฏิบัติกวียมนี่จะสนอกสนใจศึกษาเล่าเรียนวิชากรรมฐานแล้วพอปล่อยใหเขาทำงานทำการนะหยิบไม่กวาดมากว่าดก็จะกวาดอย่างมีสติเราก็เลยเห็นโอ้กบอยู่ในสะใต้กอบัวรือหอนรู้ลดมาหนึ่งน้อยภุมิลาไกลสถานนับโยอดบินโบกมาคล้อยๆคุกเข้าสาวะคน ปบอยู่ใต้กบัวคือพวกเราเนี่ยแหละคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ชี้ถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแต่เราก็ไม่ค่อยได้สนใจกันอยู่ใต้กบัวลือหอนรู้รถมาหนึ่ง้อยมีพุทศาสนาแต่ก็ไม่ได้ใช้พุทศาสนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดภุมิลาไก่สถานนับยอดภุมิลาคือมแมลงนะนีอยู่ต่างถิ่นไก่เจะแต่สามารถที่จะบินมา คุกเข้าสาวกคนก็คือรสชาติของดอกบัวกินหอมดอกบัวงคุกเข้าได้ประโยชน์จากเกสรดอกบัวเราก็จึงมาเอาประโยชน์กันไม่เหมือนกับว่าไก่เกลกินด่างหรือว่าเป็นไก่ได้บอยเราก็สามารถที่จะฝึกหัดปฏิบัติตัวเองได้เหมือนกันขณะนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยก็คือสามารถที่มีความรู้สึกตัวไปกระลมหายใจกับการกระพริบตากับการที่ก้นมันนั่งสัมผัสแล้วก็รู้สึก หรือว่าขยับนิ้วรู้สึกหรือว่าพลิกมือความพลิกมืองายหรือว่ายกมือ14บจังหวะรู้สึกตัวตรงนี้แหละถ้าเราฝึกเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่เป็นพัฒนาการทางจิตทางใจของเราเป็นบุญใหม่และเป็นบุญที่ทําให้เราฉลาดเกิดปัญญาและสามารถตัดกรรมตัดวัฏสงสารที่เรียกว่าสันสารวัฏเพราะเจ็บจึงติดเพราะติดจึงอยากว่าอยากจึงเจ็บ ทำให้เราสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุขลอทยสุดก็คือสามารถที่ทำชีวิตให้คุ้มค่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษนย์มีไว้เพื่อจะเกิดนะเกิดมาเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะร่างกายของเราเปรียบเหมือนพวงแพที่เราต้องพายต้องทอนะต้องค้านะไปอยู่ฝั่งของพระนิพพานนะขึ้นฝั่งนะต้องทอขึ้นไปถึงฝั่งของพระนิพพาน ทีนี้เราได้เดินทางถึงไหนกันแล้วชีวิตเนี่ยพราะ่ยั ง, ยงหลงติดอยู่ในการกินเกียจกันอยู่วัตถุนิยมอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกโล ก, กาพิวัติหรือว่าโลกที่เรียกว่าโลกโล ก, กียธรรมมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์แล้วเราก็ยังบันไหวกันอยู่หรือว่ากระโดดออกมาแล้วพัฒนาจิตจนตั้งไม่เป็นไร นินทาก็รู้แล้วสารเสรืเส่อก็รู้แล้วมีราบเสริมราบมียศเสริมยศไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกตัวอยู่นะมันเป็นโลกของโลกุตรธรรมตรงนี้นะก็คือความเป็นปกติของจิตทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยจะมีความเป็นปกติของจิตแสดงออกมาปรากฏออกมาให้เราได้นะชิมธรรมรสนะรสชาติของพระธรรมที่มีอยู่รสชาติของความเป็นปกติรสสุขรสทุกอันนี้มันก็เปรียบเหมือนน้าหวานน้าขม นะน้ำจืดๆไรรสชาติแต่ขาดไม่ได้นะจิตใจจืดๆเป็นปกติเนี่ยนะอันนี้มันจะต้องร่อเลี้ยงชีวิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะมันถึงจะคุ้มค่าจริงๆกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเราจะได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรสชาตินะเปรี้ยวหวานมันเค็มได้อย่างถูกต้องนะก็คือนะรสชาติเนี่ยมันมีในอาหารเนี่ยมากมายเหลือเกินฝาสมานหวานทราบเนื้อ เบาเมื่อขับพิษดีโลหิตเนื่ยให้รดขมขับลมจะต้องเผ็ดร้อนเอนอ่อนต้องลดมันหอมชื่นใจเนีให้หัวใจเข็มนั้นไซนี่ให้ผิวหนังเสมหังเนี่ยต้องรดเปรี้ยวหนึ่งเดียวคือรดจืดอาหารเนี่ยต้องรดจืดไรรสชาติขาดไม่ได้เป็นอาหารรสชาติที่ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่เราชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดรดจัดจีจ๊ดจ๊าดพวกเนี่ยนะมันเป็นไปตามความเครียดของอารมณ์ทั้งหมดเลย คิดมากก็กินมา ก, ค, มากคิดมากกินจุกจกินจะิกนะคิดจนเครียดก็ชอบลดจัดเนี่ยมันแก้กันแบบนี้นนะนั้นทุกที่ไหนแก้ที่นั่นนะทุกที่กายแก้ที่กายทุกที่จิตใจแก้ที่จิตใจไม่ต้องไปหาวัดวารานที่ไหนเลยนะจึงบอกแบบรัดๆแบบพับใส่กระเป๋ากลับบ้านไปด้วยนะรว่าจะไปไหนเอาไปต่อนะก็คือให้รู้สึกตัวนะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น กายทำลายใจทําด้วยให้ใจของเรามันมีสติรู้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายนั่งเดินจินนอนจิตใจของเราจะเป็นปกติเนี่ยแหละเรียกว่าศีลศีลเป็นบาดฐานทําให้เกิด ส, สมาธิสมาธิเป็นบาดฐานทําให้เกิดปัญญาปัญญาทําให้เราเห็นแจ้งอย่างทะลุทะลวงเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้นะในท้ายสุดเนี้ย เดเีานี้นะกลุ่มก็จะมลาพลาจากแล้วถือว่าเป็นธรรมะที่มาแบบรัดๆสั้นๆจริงๆมาตั้งใจฟังธรรมจริงๆก็ตั้งใจพูดให้ฟังจริงๆเหมือนกันตามสมควรแก่ภูมิจิตภูมิธรรมสมควรแก่เวลาเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่มารวมตัวกันทําบัดในเชานี้นก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะทาบุญทาทานรักษาศีลมีโอกาสที่จะทําการงานแล้วก็มีความสําเร็จมีความสําเร็จมีความสำเร็จ มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตนะมีความผาสุจากจนกระทั่งเมือว่ามีโอกาสที่จะฝึกจิตของเราจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอยู่ในศีลในธรรมจนกระทั้งเข้าสู่กระบวนการของมรรคผลนิพพานเข้ากระแสแล้วก็ได้หลักของชีวิตจนกระทั่งทำที่สุดแห่งกองทุกอยู่เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายมีแต่ความสุขเกษมสารในนิพพาน ในปะวันนี้โดยทั่วนาการทุกรูทุกนาำเทอน